ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสิบสอง ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้เก้าเดือนหรือสิบเดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบสิบเดือนเท่านั้นแม่ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จาได้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค1ิบสามข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นแม้ข้อที่ ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จําได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 14. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทําพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 15. าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานอนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดิน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 ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาศิกะพัย่อมไม่ทาให้ผ้ากาศิกะพั์แปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกะพัด ก็ไม่ทําให้แก้วมันีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จาได้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสิบเจ็ดข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชาระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาแม้ข้อที่ และถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 18. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนนเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันบนพื้นปฐพีทรงพินพระพักไปทางทิศเหนือ เสด็จดำเนินไปเจก้าขณะที่หมู่เทวดากั้นสเสวตฉาร ต, ตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศ ท, ทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสพิวาจาพูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลือดของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปแม้ข้อนี้ และถึงข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค1ิบก้าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนนเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวนุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือ ท, ที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจรจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้น เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้ น, น, นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม่ข้อที่ และถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอนันนาอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคยีสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแหลเธอจงจำธรรมอนันนาอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอานนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านนพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะ ท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทยัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์ดังนี้แลอัจชริยภูตรธรรมสูตรที่สามจบ 4. พระกุลธเท ร, ชรัชยภูตสูตรว่าด้วยอาชรรยธรรมของพระพระกุลเทระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระพระกุลธพักอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึอครั้งนั้นแหลปริภาชกชื่ออเจลกัสปะ ผู้เป็นสหายเก่าของท่านพระภกุละเมื่อครั้งยังเป็นคราห์ตเข้าไปหาท่านพระพักุละถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระภกุละว่าท่าน พ, พักุละท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านพระพักุละตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมาแปิบพรรษาแล้ว ตลอดเวลา80สิบพรรษานั้นท่านเสพเมทุนธรรมมากี่ครั้งขอรับกระสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดเวลาแปสพรรษานั้นท่านเสพเมทุนธรรมมากี่ครั้งขอรับแต่ท่านควรถามเราอย่างนี้ว่ า, าก็ตลอดเวลาแปสพรรษานี้การมสัญญาเคยเกิดขึ้นกับท่านกี่ครั้งท่านผู้มีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด8ปสิพรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักุละไม่รู้สึกเลยว่ามีการมสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา8ปดิบพรรษานี้ข้าพเจ้าจะจําไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด8ปสิพรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่า พยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพากุละไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลาแปดสิบพรรษานี้ข้าพระเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพากุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดปสิพรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่า กามวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพกกุระไม่รู้สึกเลยว่ากามวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80พันษานี้ขขาพระเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพกกุระท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พันศาเราไม่รู้สึกเลยว่ามีพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้น ข้อที่ท่านภักกุละไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลาแปดสิบพรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดแปดสิบพรรษาเราไม่รู้สึกยินดีขหบดีจีวรเลยข้อที่ท่านภกุละไม่รู้สึกยินดีขหบดีจีวรเลย ตลอด80ดสิบพันศานี้เขาพระเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันหน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พันศาเราไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าเป็นจีวรเลยเราไม่รู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลยไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมย้อมจีวรเลยไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ไม้เสดึงเลย ไม่รู้จักการจัดทำจีวรของเพื่อนโพรมจารีเลยไม่รู้สึกยินดีกับกิจนิมนต์เลยไม่รู้สึกเลยว่าเคยเกิดความคิดอย่างนี้ว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดไม่รู้จักการนั่งในระแวกบ้านเลยไม่รู้จักการฉันในระแวกบ้านเลยไม่รู้จักการถอนิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่มาตุคาม โดยที่สุดแม้คาถาสี่บาทเลยไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของพิษุนีเลยไม่รู้จกักการแสดงธรรมแก่ภิษุนีเลยไม่รู้จกักการแสดงธรรมแก่สิกขามนาเลยไม่รู้จก inform inform ักการแสดงธรรมแก่สามเณรีเลยไม่รู้จกักการให้บันปชาเลยไม่รู้จักการให้อุปสมบทเลยไม่รู้จักการให้นิสัยเลย ไม่รู้จักการใช้สมนีนเป็นอุปถาคเลยไม่รู้จักการส่งน้ำในเรือนไฟเลยไม่รู้จักการใช้จุนส่งน้ำเลยไม่รู้จักยินดีการนวดเฟ้นตัวของเพื่อนพรหมจรีเลยไม่รู้จักอาพาธอันเคยเกิดขึ้นแล้วโดยที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคเสร็จเลยไม่รู้จักชันยาโดยที่สุดแม้เท่าชิ้นสมอเลย ไม่รู้จากการนั่งพิงพนักพิงเลยไม่รู้จากการนอนเลยข้อที่ท่านภั ก, กุละไม่รู้จากการนอนตลอดเวลา80พรรษานี้เขาพระเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภั ก, กุละ ผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดแปพรรษาเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยข้อที่ท่านภกุละไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านตลอดเวลาแปพรรษานี้เขาพระเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันหน่าอัจฉ ร, รย์ไม่เคยปรากฏของท่านภักกุละท่านผู้มีอายุเราเป็นผู้มีกิเลส ฉันบินธบาของชาวแ ว, นแว่นแควนเจ็ดวันเท่านั้นในวันที่แปดก็ได้บรรลุอรหัตผลข้อที่ท่านพักกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบินธบาของชาวแ ว, นแว่นแควนเจ็ดวันเท่านั้นในวันที่แปดก็ได้บรรลุอรหัตผลนี้เขาพระเจ้าจะจําไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านพากุละ ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดอาเจ์ละกัสปะได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 สมัยต่อมาท่านพระภักุระถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกทหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จกเป็นวันปรินิพานของเราท่านพระกัสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านภักุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิด นิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จากเป็นวันปรินิพานของเราเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละครั้งนั้นท่านพระพระกุละนั่งปรินิพานในถ้ำกลางพิสุสงท่านพระกสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพระกุละนั่งปรินิพานในถ้ากลางพิสุสงนี้เราทั้งหลายจะจำไว้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละดังนี้แลพักกุลัดเถรัชริยัภูตสูตรที่สี่จบ ทันตะภูมิสูตรว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้วข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกุงราชครึอสมัยนั้นสมานุเทชื่ออจิรวตะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่าครั้งนั้นพระราชกุมาร น, นามว่าชยเสน ทรงดำเนินเล่นไปโดยลำดับเข้าไปหาอาจิรวตตะสมนุตเทศถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรชะยะเสนราชคูมานได้รับสั่งกับอาจิรวตตะสมนุตเทศว่าท่านอาคิเวสนะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคตาสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวได้จริงหรืออาจิรยวตะสมนุตเทศถวายพระพรว่าพระราชกคูมานข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกคตาได้ ดีละขอท่านอาคิเวชนะโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดพระราชกุมารอัตมาภาพไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเพราะถ้าอัตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัตแห่งพระสิทธิ์ของอัตมาภาพ ข้อนั้นจะเป็นความยากจะเป็นความลำบากแกอ่อาตมาภาพขอท่านอาคิเวสณนะโปรแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้ดับมาตามที่ได้ศึกษามาบางทีข้าพเจ้าอาจทราบอัจแห่งภาษิต ข, ของท่านอักิเวสณะก็ได้พระราชกุมารอาตมาภาพจะแสะดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามา ถ้าพระองค์ทรงทราบอาจแห่งภาสิทธิ์ของอาตมภาพได้นั่นแหละเป็นความดีถ้าไม่ทรงทราบขอพระองค์พึงดำรงอยู่ในภาวะของพระองค์เถิดอย่าได้ซักถามอาตมภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเลยขอท่านอาคีเวชนะโปรแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สะดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าข้าพเจ้าทราบอาจแห่งภาสิทิ์ของท่านอาคิเวชนะได้ นั่นเป็นความดีถ้าไม่ทราบเขาพระเจ้าจะดำรงตนอยู่ในภาวะของตนเขาพระเจ้าจับไม่ซักถามท่านอคิเวสนะในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปลำดับนั้นอจิรวตะสมนณุเทศได้แสดงธรรมแก่ชยเสนราชคูมานตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเมื่ออจิรวตะสมนณุเทศกล่าวอย่างนั้นแล้ว ชยเสมราชกุมารได้ตรัสว่าท่านอัคิเวชณะผู้เจริญเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคตาได้ต่อจากนั้นชยเสมราชกุมารทรงประกาศความเป็นไปไม่ได้แก่อจิรวตะสมนุตเทศทรงลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้น เมื่อชยเสมราชคุมารเสด็จจากไปแล้วไม่นานอจิรวัตะสมนุตเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลเรื่องที่ได้สนทนาปราศัยกับชยเสมราชคุมารทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเมื่ออจิรวัตะสมนุตเทศกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่า มักคิเวสนะชัยเสน ร, ราชกุมารพึงได้ประโยชน์จากข้อความนั้นในภาสิ์ของเธอนี้แต่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่ชัยเสน ร, ราชกุมารผู้ยังอยู่่้ำกลางกามยังบริโภคกรามถูกกามวิตกรุมเราถูกความเร่าร้อนเพราะการามแผดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากลามอยู่จากทรงรู้ทรงเห็น หรือทรงทําให้แจ้งจิตเตกกตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทําให้แจ้งด้วยเนกขมะได้อคิเวชนะช้างที่ควรฝึกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกคู่หนึ่งที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วกับช้างที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่ง ที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะส่วนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึก คู่ที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วเหล่านั้นนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วจะสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วเหมือนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าอาคิเวชนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมาร ผู้ยังอยู่ถ้ำกลางกามยังบริโภคกามถูกกลามาวิตกรุมเราถูกความเร่าร้อนเพราะกางแผดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากลามอยู่จากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทําให้แจ้งจิตเตกัคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทําให้แจ้งด้วยเนกขมะได้อคิเวชณนะมีภูเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือนิคม สหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ที่ภูเขาตั้งอยู่สหายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างสหายคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสหายคนที่ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างจึงกล่าวกับสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้าง สหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระบกขรณีอันน่ารื่นรมสหายผู้ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรม ป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสะโบขรนีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ยืนอยู่บนภูเขาจึงลงมายังเชิงภูเขาเบื้องล่างแล้วจูงแขนสหายคนนั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นให้พักเหนื่อยครู่หนึ่งแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายคนนั้นตอบว่า เพื่อนเอย๋ยเรายือนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสะโบขรนีอันน่ารื่นรมสหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้บัดนี้เองว่าเพื่อนเอย๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยือนอยู่บนภูเขาแล้ว จะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสะโบครณีอันน่ารื่นรมได้และสะหายผู้ขึ้นไปทีหลังนั้นกล่าวว่าเรารู้คำที่ท่านกล่าวอย่างนี้บัดนี้เหมือนกันว่าเพื่อนเ อ, อ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรม และสะโบครณีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเ อ, อ๋ยความเป็นจริงเราถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นอาคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชคุมานผู้ถูกกองอวิชาใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดบังไว้ เริงรัดไว้ห่อหุ้มไว้ยังอยู่ท่้ำกลางกามยังบริโภคกามถูกกามาวิตรุมเราถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากามจากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทําให้แจ้งด้วยเนื้ัมภีได้อคิเวิณนะ ถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสองข้อนี้ให้แจมแจ้งแก่ชยเสน ร, ราชกุมารได้ชยเสน ร, ราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสน ร, ราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงแสดงอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอพระจิรวัตตะสมนุตเทศกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะอธิบายอุปมาสองข้อนี้ที่น่าอาัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจมแจ้งแก่ชยเสน ร, ราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคิเวสนะกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วรับสั่งเรียกพรานผู้ชนานาญป่าที่ช่างอาศัยอยู่มาแล้วตรัสว่า มาเถิดพ่อพรานช้างเพื่อนยากท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิดพรานป่าผู้เป็นควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งความจริงช้างป่าทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือดงช้างอยู่พรานป่าผู้เป็นควานช้างจึงกราบทูลเรื่องนี้แด ก, กสัต์ราธิราชว่าขอเดชะช้างป่าของพระองค์มาอยู่ที่กลางแจ้งแล้วพระเจ้าค่าลำดับนั้นกสัตว์ราธิราชจึงรับสั่งเรียกควานช้างมาตรัสว่ามาเถิดพ่อควานช้าง ท่านจงฝึกช้างป่าจงไปเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการเถิดควานช้างรับพระราชองการแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดิน ล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกรวนกระวายความลาบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างร้องเรียกช้างป่านั้นด้วยคาไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจ เป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะช้างป่าถูกควานช้างร้องเรียกอยู่ด้วยคําไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเห็นปานนั้นช้างจึงตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ควานช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ําให้ช้างนั้นยิ่งขึ้น อคิเวสนะเพราะช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของควานช้างควานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ช้างป่าจากดำรงชีพอยู่ได้ละจึงให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับไปพ่อวางลงพ่อเพราะช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการรับและการวาง ควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่าเดินไปพ่อถอยกลับพ่อเพราะช้างหลวงทําตามคำสั่งรับทําตามโอวาทของควานช้างในการเดินไปและการถอยกลับควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ายืนขึ้นพ่อหมอบลงพ่อเพราะช้างหลวงทําตามคำสั่ง รับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนและการหมอบควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่ชื่อว่าอนเนนชะไม่วันไวคือผูกโล่ใหญ่ไว้ที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกสัดแนังบนคอช้างจัดบุรุษถือหอกซัต ด, ด, ดหลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือของ้าวยาวยืนอยู่ข้างหน้า ช้างนั้นได้รับการฝึกถึงขั้นอเนเชะอยู่จึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่เคยยื่อนกายไปข้างหน้าไม่เคยยื่อนกายไปข้างหลังไม่โคลงหัวไม่กระเดกหูไม่เหวียงงาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวงเป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกขอกทิมแทงถูกด่าฟันถูกลูกศอนเสียบแทง และถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นอดทนต่อเสียงอึกระทึกแห่งกลองศึกมโหระทึกสังและกลองเล็กกาจัดนิสัยดื้อรั้นทุกอย่างและหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใช้สอยเป็นองค์สมบัติของพระราชาแม้ชันใดอาคิเวสนะตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ได้สับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาพจน์เมื่อมีศรัทธาย่อมตรหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังขัดไม่ใช่ทําได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผากาสาวพัด ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต